ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบ ก, กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสเสวยราชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนคขมบรามี ก็อยากขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าเห็นเนื้อความเข้ากันเนื้อความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขผอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราตามธรรมดาคนเรานะบำรรงร่างกายด้่ดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และก็เกี่ยวกับยารักษาโรคที่บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่ายานั้นมีวิตามินแก่ย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรรงอย่าง น, น้นแล้วร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพอ แล้วพ่ออยู่แต so ่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผือหัวผือหัวมันทำไมร่างกายพ่อเต็มมีนั้นเจียงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชจุฬมานยิงกระบาษทูลพระจุลิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นว่า การสละความห่วงใยไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้เสียงที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในเสียงที่เป็นปัจจุบันท่นนั้น ยึงทําให้ผิวพันณุ์เขาหม่อมฉันเศร้าหมองเพราะพุทธเจ้ขาข่าเมื่อถึงตอนนี้อจะมาขอแถมสิ่นี้หนึ่งสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ว่าเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชวีดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายนี่ยมีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็ว แล้วที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใหญ่ไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมาไม่ก็มาไม่ได้ ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่เพิงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่ไหนให้จิตใจเข า, ารักอยู่เสมอว่ารัก คนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นรายการที่สองมีจิตุรนาสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เิดมีสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ป่องใส่ทำให้ใจสบาย เรืการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉาลิเสียใครเห็นใครได้ดีพอยินดีกับความดีของเขาเนื้อละลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขเรืการนี้สี่มิวเบคขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นมิสัยทําให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไวในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาปพอ ส, สิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมัน ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เช้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสความน่ายความธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันในว่านันกที่จะเริญสมถกรรมฐานมีปรัชนากรรมฐาน แ้่กำลังใจของคนบุคคนใดเข้าถึงปีติหน้าตายของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีชาวบ้านบอกแมมคิดว่าอายุสี่สิบหรือว่ายุ่งห้าสิบที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุข ตามที่พระเตมีท่นตรัสในเรื่องชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจรารณาต่อไปพระราชานด้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนการิกิ น, นีแล้ว พ่อก็ควรจะ ก, กลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่นคนห ม, มากเกิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชากุกพันธ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชกุกุุทพันมาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์ เครื่องที่จะสัตย์ยครองเมืองเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชาดาบอกว่ามาแล้วนี่ลกูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไมอัคกามเหสี ถ้าลูกอยากจะโบวก็จงบวเถิดแต่ว่าขอให้นางนั่นได้มีโอกาสได้มีโอรสเก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พอ่อเล่ได้เหตุสมาการคือหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ในการที่สองเล่เหนือหน้าของกามารงค์ อ, อิสตตรี โปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระชิวิดาว่าขอดดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ก, การบทควรจะบทชแต่เมื่ อ, อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกจูนในคติของธรรมดาถ้ามายัางไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าย่างนั้น แต่ถ้าเมื่อจะเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่ส บ, บายมันก็ตามมานิธรรมดาเป็นเรื่องขังขันในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือทุกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชินีเว่ก็ได้พระราชเวินดาไม่ได้ทรงสดับคำเขาเมตเมียก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วย ตอนนี้แต่ทธวะแท่งก็ตัะเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชนิเวนดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทมาชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกพอกงาไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชนัดลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหูกี่ทอผ้าในช่างหูกยจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปทอไปข้างหน้า ไอ้ข้างน้ามันก็เหลือนน้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็ใกล้จะเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงอย่ามัวประมาทอยู่เลยเพื่อพูดเจียวค่าถ้อยคำของบาเตมีนี่บรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดปด้วยอาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาว บ, บ้านผู้รับฟัง สำหรับพระราชวินดาเมื่อสำับแล้วก็คิดคิดอะไรก็คิดอยากจะบทบ้างคิดว่าการบทเป็นของดีพระลูกชายของเรานี้มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชวินดาของเราพระราชวินดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่ พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงพุ่นน้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดี เพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่งใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพสมบัติเดิมนาจราชสักที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชินีไดห้หรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพราะองค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะ ที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดเรื่อทรงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามธรรมารีสัม่าวิชชาจะว่าไวส้สันส้นๆว่าทรงตัดทักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วยกเอากามมคุณต่างๆมาล่อไอ้คำว่ากรรมมาคุณนี่ หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายที่ว่าอำนาจราชศักในการเป็นประราชามันดีอย่างไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนบนอบมีความเคารดมถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมกีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้น พร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการคลองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท้าไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชวิดาตกตกตกตกรงพระไทยว่าจะบวชเป็นอนวุวาที่พระพุทธเจา้าถึงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นแม่นคนเช่นนั้น ความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตฏะก็เพราะว่าท่านลึกชาติได้ความจริงเรื่องการลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดนะว่าวัสนามบรารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนาบรารมีนี่ เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาประวัติเต็มนะอะไรมันเต็มอัตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้วบารมีก็คือมีกําลังใจเต็มถ้ากําลังใจของเราเชื่อ เชื่อกฎขอ่งธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจําเราจําได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผล ถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหมและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้ เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไรก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไรก็ไม่พอเจอทั้งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบายมีมากและในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็หนีความตายไม่พน้น มันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักกราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพลากจากมันไปอย่างอำนาจราชศักปัญญาสมบัติทั้งหลายสําหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชศัก์เมาในทรัพย์สินยิ่งกระทั่งเกิดความประมาดไม่สร้างความดี คนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุข <c oughs> นี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นเมื่อเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่ยและในที่สุดมันก็ต้องตาย ถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของธรไม่ยากส่งอารมณ์ให้ท่งตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชวิดานสร้างลงโทษนักโทษ และพระองค์ก็ทรงโหวนึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉย ต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปร ม, มรมัตธรรมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอยมีทีฝึกรละลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้เสึกวจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี่เขาต้องเขียนไปตามแบบ <c oughs> ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เพื่อทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิขึ้นเจริญอนาปานุสติกรมฐานกำหนดเวลาคุมลมหายใจไว้สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่คองแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาที1ิบนาทีให้จิตมนคงอยู่ ขณะที่ภาวนาและพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสักสิบนาทีก็พอแต่สามารถจะส่งให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านาหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูป ก, ก็ได้ จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปจาจับท่านนึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสินถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่ง คิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจป็ปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอเสมอ ย, ยิงกระทั่งด้านที่ปยิยโคยานนี้คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงชาติที่สี่ผลนี่เพิงได้มาก็คือหนึ่งที่ปยิยโคยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกนั้นก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์เนื้อประการที่สองเมื่จิตเข้าถึงฌนสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูวว่าปาริยาน รู้ว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมนันี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามปเพนิวาสานุสติญาณสา ม, มารถะรลึกชาติได้ตามความต้องการสีเจโตพริยญาณสา ม, มารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้าง แล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเกียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีต่างสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองคนได้ของบุคคลอื่นคนได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอ น, นาคาขอโทษอดีตที่ลงมาแล้วนะ สามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรอ น, นาคาดาวสัญญานรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันดาวสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมตายยานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราคนดี มีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบคุคคลอื่นก็ดีเป็นพ่อะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลีวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยาก ทำววายากเห็นว่ายากก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกยอปอบปันให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิุมศาสนาตัดต่เพียงว่าอาคาตาโรตถาคาตาตถาคตมาเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อกอครูสอนเด็กใักเรียน ครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถธอยคำใน ว, วิชาความรู้ความประพฤติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทําให้เขาดีได้ฉันใดแม้การประพฤติปฏิบัติตามธรรมคําำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่าน กำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ไปยุพุญญาณเป็นชานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งท่านหลายเหล่างนี้มันเรื่องเล็กๆ เ, เหมือนกับกินข้าวตักข้าวในจารเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนน่อไปก็ฟังเรื่องเขง้ามะเตมีอีกหน่อยหนึ่ง เวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะได้ขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์จะหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทุน่ากล้าท้าให้ท่านหลายพลงปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสหักไม่ใช่เรื่องเหลียวไหลเป็นของท่านได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆ ยังหลานชายท่านพลโทโทนทองสวนทัตแห่งกองประชาการอาหารพวงุดเธอทําทได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคม2521ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดิ๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบน ต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบทตัดสินพระไทยแน่ว่าบทแน่ยึงทรงห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุว่าใครอยากจะได้อยากจะบทในสำนักของมะเตมีก็จงบทได้ตามอธัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้น ยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นนัสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเท่าง่ายออกง่ายซึ่งประกาศว่าใครต้องการทรัพสมบัติใดใในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์คนนไปตามาาาาสบาย ร่วมกันนั้นก็สั่งให้เปิดเพื่คลังทั้ง12งงเพื่อครั้งเพื่อคนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาใบชารัศดรทำหลายก็พากันแตกตืน่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตืน่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบทในสำนักขมเตทมี บ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่ประเทมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโยศกว้างสามโย์เต็มไปได้วยดาบททษนนัน้ากันดาบาศินีหมายความดาบฤกษคือฤาษีผู้ชาย าาท่านตาปา่าทินีก็ในกระดืสีผู้หญิงท่านกลา่าวตอบปขอผู้หญิงนี้ที่เวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช่าง ม, มาที่พระราชานำมาแต่เมือ ง, งต่างแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้สุดโทรมผุพังไปตามสภาพช่างมาก็ปล่อยเขาป่ากลายเป็นช่างป่าม้าป่าไป เป็นนั้นว่าบ้านเมืองท่านหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะธรรมทีศสนาที่พระเตมีท่า น, นแสดงมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดือมใสอัลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วก็ต้องยุติก่อน ท่านแบบวันนี้ขอลาบันดาท่านพุทธบริษัทกรับก่อนขอความสุขสวัสดิี่พัฒนมงคลสมบูรณ์คุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี